ปล่อยวางกันกบไม่ย่เพื่อนสาธำมิ ก, ก, กมทุภูริโภเจริญพรเจริญธรรมไม่ยังใดดิทำดูด้วยกั น, กนวันนี้เราก็มาลวนตัวทำวัดเย็นอีกวันนึงก็ถือว่าแป๊บๆชื่นเราก็ผ่านไปอีกวันนึงแล้วอีกสักรูงก็ <c oughs> จะเข้านอนเวลานผ่านไปไวจริงๆงานก็ต้องทําเสร็จไปเรื่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆงานทางกายนะงานทางจิตใจงานทางโลกงานทางธรรมเสร็จไปคณะดนะหนึงขะนาะหนึ่งไปเรื่อยๆเหมือนเดินก้าวหนึ 1, ่งก้าวหนึ่งก้าวหนึ่ง ถ้ถึงจุดหมายก้าวหนึ่งไปเรื่อยๆถึงทุกครั้งที่เดินชีวิตมันก็ง่ายๆแบบเนี้ยเราก็ได้ปฏิบัติกันมาคงจะเหมือนๆกันก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างตั้งใจรู้บ้างไม่ตั้งใจมันก็รู้บ้างหรือว่าเอกีตั้งใจมันก็หลงบ้างไม่ตั้งใจมันก็หลงเป็นประจามอยู่แล้วเนีย แล้วก็ฝึกเห็นอาการต่างๆเดินนานๆก็เมือ่อยบางทีก็หิวก็หายบางทีก็ร้อนหนาวเนืยวตัวสบายนสบายตัวบางทีก็มีอาการมากมายเหลือเกินเจรณไนกันไม่หมดทางจิตใจก็เหมือนกันมาแสดงออกมาอารมณ์ต่างๆ พอเาเลยไม่กวนมันทั้งวันมันก็นอนเนื่องมันอยู่ดีๆนี่ใสเครื่องเจ้าหมองบนทินในสันดานมันก็อยู่มาตั้งนานแล้วแหละเหมือนน้าตกตะกอนมันก็ใสๆก็มันอยู่ดันไปขย่ามันเองมันก็ฟุ้งอะไรทีตอนนี้สารพัดอาการมันจะแสดงออกมาให้เราเดิเรียนได้เรียนได้รู้ได้ดูได้เห็น จนมันได้คําตอบนะเจ๋อลยได้โจทย์ทุกโจดนะเพราะว่าทําซ้ําทําย้ํานกระทั่งมันก็เหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมเมื่อไหร่ปฏิบัติมันก็ง่วงมานั้นนะะเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อคิดมานั่นนะเมื่อใดเราสัมผัสรู้สึกมันก็รู้สึกมีสติมันก็รู้สึกสติน้อยๆ อ, อ่อนๆมันก็ เผลอไปบ้างก็มันจะเก่งมันจะกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาแล้วสติปัญญามันจะฉลาดเพราะว่ามันก็เริ่มต้นจากพื้นฐานรู้เล็กๆน้อยๆผ่านเล็กๆน้อยๆไปมีเงิน น, น้อยๆก็ใช้ใ น, น้อยๆก็ยังดีกินของมันก็อิ่มพออยู่ท้องบ้างแต่ถ้ามีมากๆมั่งข้างมันก็โอ๋เหลือกินเหลือใช้ เราก็ไม่ตำข้าสารก อ, อกหมอ้อหาเช้ากินขํามันก็ยังดีนะหาเช้ากินขําหาไม่เช้าตอนขําก็ได้กินนะยังดีนะแต่คนยุกนี้หาวันนี้ใช้มาปีที่แล้วกู้เข้ามาแล้วนะมันก็เป็นหนี้เป็นสินกันอะไรขนาดนั้นนะหนี้กรรมเนี่ยมันแรงหนี้ศักดิ์สิทธิ์หนี้แผ่นดินหนี้พ่อหนี้แม่หนี้กรรม พฤติกรรมที่เราใช้ใกายวาจาใจเป็นกรรมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเยอะจริงๆโดยไม่ได้เจตนาเน่ยเยอะที่เจตนาไม่ต้องนับเจตนาโกรธเจตนาโลภเจตนาหลงเจตนารักเจตนาชังมันมีอยู่เจตนาคิดดีพูดดีทดําดีเจตนาคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วตั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าดีชั่วรู้หมดต่ไม่อดไม่ได้ เราก็จึงเนี่ยได้เห็นกณะปฏิบัติน่ยมันฉายออกมาแสดงตัวออกมาว่าเราไปขย่ามันเองทารู้เนี่ยเป็นการปลุกจิตให้ตื่นแต่ว่ามันก็กวนเอาสภาพธรรมต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวเราตอนตกิดมาถึงทุกวันเนี่ยแสดงออกมาด้วยเหมือนกับป่วยไป็บมาเอะไก็ให้ครีโมตัวดีก็ถูกทําลายตัวไร้ก็ถูกทําลายไปด้วยกันมันไปด้วยกันเลย เวลาน้ำใส่ลงไปในแท้งน้ำดีก็อยู่ในแท้งน้ำไม่ดีมันก็อยู่ในแท้งมันก็ล้นออกมาปะปอมกันเนาะมันมีน้ำดีน้าใหม่เข้าไปเป็นส่วนเกินอะไรที่มันมีอยู่ก็ดันดันดันดันออกมาด้วยคิดดีก็ออกมาคิดไม่ดีก็ออกมากุณธรรมฝ่ายดีอดทนก็ออกมาไม่อดทนก็แสดงออกมาให้เราได้เลือกได้เลือกถ้ามีปัญญาก็เลือกได้ แต่ปัญญาจะเห็นอาการเหล่านั้นมันเป็นอาการเฉยๆรู้สึกตัวเคื่อนไหวก็เคลื่อนไหวเฉยๆรู้สึกก็รู้สึกเฉยๆตรงนี้ภาษาหลวงพเตียนยินใจว่ารู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้สื่อๆรู้ล้วไม่ได้มีความหมายว่าพอใจไม่พอใจตรงนี้ทําซ้าๆตําแหน่งตรงนี้มันจะเกิดปัญญาทะลุทะลวงทุกครั้งที่มันรู้มันก็นหลุด จากอารมกันโล่งโปร่งสบายเนื้อสบายตัวผ่อนคลายทีเดียวได้เจอไม่ตำแหน่งตัวเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าทาได้เรื่อยๆครับปับหมดวันหนึ่งนะตอนตื่นยันหลับแล้วก็มีแต่ความรู้รู้รตัวเมื่อเช้าตื่นก็สังเกตมันก็ไม่แดงงเงีย้ยหรือว่ามันขี้เกียจไม่เ อ, อยอิ่งหรือว่าอะไรวอนมันตื่นนะนอนตีสองตื่นขึ้นอนก็นอนหัวค่ำอยู่ ส่ทุ่มเ ม, มื่อคืนสักี่ห้าจะมมันตินแล้วมันอิ่มแปะสดชื่นก็สังเกตได้ที่นอนสูงที่นอนใหญ่บางทีมันนอนแล้วอาจจะติดเนจึงมีศีลบุตาสนณมหาอัจนานบอกเราว่าเอออย่านั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เดี๋ยวจะกลายเป็นคนขี้เกียจอ่อยิ่งติดความนุ่มติดซ้ายติดขวา เตือนมาแล้วแต่ว่ามันยังตาหนักๆอยู่ว่า ห, หนักๆอยู่เราก็สังเกตเอานะคือตัวขี้เกยียจที่พายเราขี้เกยียจกิค้านอีกหลายเรื่องหลายราวแต่ถ้ามีสติปัญญามาใช้ขี้เกยียจทุกก็ดีเหมือนกันขี้เกยียจจนก็ดีเหมือนกันขี้เกยียจทําให้ว้นทุกเพราะเราเป็นต้นเหตุดีเหมือนกันมีสติปัญญาหยิบมาใช้เลย <c oughs> พอใส่ๆหน่อยมันก็มีกิจกรรมนอกรูปแบบแล้วก็ไปรับประทานอาหารเนี้ยนะ กลาคืนนอนยังมีสติเรียกว่าจำบัดเช้าตื่นมารับประทานอาหารยังมีสติเรียกว่าฉันฉันใส่ปาเคี้ยวปกติกืนเอื้อกเกินเอื้อเกี้วเขียวจับจับเกืนเลยนะจะมีภาษาหยาบหยาบใช้กับการกระทําหยาบหยาบคาว่าสวาปามีคาว่าสารพัดอ่ะนะเดี๋ยวใช้กันภาษาท้องถิ่นพื้นถิ่นมากมายแล้วกั มาสุภาพอีกนี้หนึ่งเรียกว่ากินรับประทานสเสวยและฉันฉันนีกหมายถึงว่าตักใส่ปากเคี้ยวเกิอนอย่างมีสติให้สังเกตลิ้นตวัดไปตวัมาใครสั่งเขารืว่าเขาเป็นเองรสชาติมันเรียบเรียงไงในช่องปากเราจืดแล้วก็พอใจไม่พอใจไหมเผ็ดพอใจไม่พอใจหหวานมันเค็มต่างๆมันเรียบเรียงอะไรก่อนอะไรหลังเนะ ให้ตัวที่มันจืดเนี่ยป็นรสชาติที่ดีหนงแง่ของสุขภาพอาหารจืดๆเนี่ยถ้าลดจัดอันนึงก็มีผลพวงขมมัมีผลต่อตับต่อไตขมมากๆเค็มมากๆกะไตหวานมากๆก็ตับอ่อนก็าจะมีผลแบบนั้นหรือว่า รสชาติเปรี้ยวจัดๆกับกระเพาะอังกระพังจิตจืดๆนี่ดีคนที่หน้าจืดๆสังเกต ด, ดูแต่งหน้าแล้วออกมาสวยหน้าตาจืดๆเราแต่งด้วยคนที่เข้มๆคมๆอยู่แล้วแต่งยังไงก็ไม่ค่อยสวยครับเหมือนกับกระดาษเป่าๆจืดๆระเลงสีลงไปเดี๋ยวมันก็สวยได้ตกแต่งเสริมสวยให้มันอารมณ์จืดๆก็เหมือนกันเราสังเกตได้ไหมมันมีสุขมีทุกข์แต่เวลาเผลอเข้าไปปรงมา่อไหร่แล้วได้เรื่องกันด้ แตรู้เฉยๆรู้เจืจเจ่นกลายเป็นสุขเป็นทุกข์นี่นะเป็นการรสชาติขณะรับประทานอาหารให้สังเกตพฤติกรรมของคนที่รับประทานแล้วขาบสติผลของการขาบสติจะออกมาดังนี้หนึ่งเคี่ยวอาหารไม่แหลกรีบเกืนสองมีก้างก้างกระติดคอมีก้อนกวดก็เคี้ยวก้อนกวดเคยไหมเคยไหม บางทีก็สำลักอาหารอาหารตกลงไปในหลอดลมนี่อันนี้คือการไม่ได้ปฏิบัติธรรมฝึกสติอาการรับประทานอาหารที่หนักพอสมควรคือกัดลิ้นตัวเองเคยแม้เค้ยวเคี้ยวเคีย ว, ย ว, ยวแล้วก็เ อ, อ้ยกัดลิ้นตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าฉันก็มีสติอาการรับประทานอาหารแต่เป็นพรก็ถือว่าเป็นโพยนีอ่าโภชนาปฏิสังยุตต์เจคียรวัตทีต่ต้องปฏิบัติ พระสงศีลสองรเจ็ดข้อมีหมดนี้อยู่ด้วยเศรษฐกิวัตรโพยนีโภชนาปฏิสังยุตต์เนศะขษฐิวัตรที่พึงปฏิบัติภิกษนะุเธอจองทำความศึกษาว่านีนะเราจะไม่เคี้ยวนะคำใหญ่เกินปากข้าคำโตเกินนะกัดคำาข้าวนะไม่กินดังจับจับไม่กินดังซุดๆเหแนั้นนะเรียกว่าฉันนะนะเราทานอาหาร ทางจับจับสุดๆพวกนี้เป็นอาการฉันไม่ทำกระพุ้งแก้มให้ตุยเวลาตักคำโตเกินแก้มก็จะพองแบบนี้จะเป็นพระถือว่าอาบัตผิดศีลหนึ่งในสอง้อยิบเจข้อก็มีคำที่พูดมาสักครู่นีนะเพราะนั้นมันจึงมีคำว่าฉันเกิดขึ้นมานอนเรียกว่าจำบัตก็คือนอนอยังมีสติอย่างที่บอกไว้แล้วว่านอน อยู่ๆง่วงแล้วเกินไงายท้องนอนอลไรก็เรียกว่านอนแบบเปดบริโภคเปดบริโภคแต่นอนแบบทับหัวใจตัวเองตะแคงใจก็เรียกว่ากามบริโภคถ้านอนแบบด้านขวาสีหาสาย ญ, ญาตก็ก็มีชื่ออื่นก็อยู่ถ้านอนโดยที่ระนาบมีสติอยู่ก็เรียกว่านอนปราศจากนิวรณ์นอนในชานเลยเข้าชานเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับบทไหนเลย ได้พักอยู่ตลอดเวลาเดีว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยได้พักผ่อนพักจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่รู้สึกาจิตได้พักมันไม่ได้เข้าไปในความคิดการปรุงปกติมันปรุงทั้งวันแหละดีใจเสียใจตาหูจมลิน้นกายใจวัตถุการมคุณต่างๆก็ปรุงแล้วเราก็ผลขวายแสวงหาจนเรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตก็มาได้อย่างที่กระทุ่มเทให้กราสิ่งเหลนะ่านี้ จนหมดเลี้ยหมดแรงท้ายสุดตายไม่ได้อะไรไปเลยแต่ตอนเกิดมากำมือแน่นเลยนะจะเอาจะเอาโลกทั้งใบนี่จะเอาไว้จะเป็นเจ้าของมันหิวก็ร้องให้ไม่ได้ดังใจก็ร้องให้ป่วยก็ร้องไห้เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะไปเจออุณหภูมิแปลกๆก็ร้องให้อยู่กับแม่อบอุ่นดีพอไปเจอโลกหนาวสะท้ า, านอะไรไม่ปลอดภัยก็ยได้อาหารทางสดเออ ตอนนี้มันหิวแล้วกว่าจะคลอดออกมามันเหนื่อยก็คำหานมแม่ดูดน้ำเหลืองแม่กินเป็นภูมต้านทานโลกเด็กเกิดใหม่แบบนันก็ได้คือแล้วนะของสัญพจักยานที่เราจะต้องได้เรียนรู้ในตัวเรามันมีอยู่แล้วก็เหมือนกันทุกคนด้วยดังแบบนั้นเราก็จึงได้พักทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตได้พักเลยเป็นปกติตรงนี้นมันทาได้เรื่อย ไม่เหมือนกับว่าแหมมันทําอะไรมาค้นหาอะไรมันไม่ใช่ฮะทุกครั้งที่สัมผัสรู้สึกแล้วก็มีความพอดีเกิดขึ้นมามันผ่อนคลายสบายเนื้อสบายหัวสบายตัวสบายใจล่งปร่งเบาเนะี่มันมีอยู่คอยสังเกตอาการแล้วก็ตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่เวลาอารมณ์อื่นๆซ้อนขึ้นมามันมันไม่ได้ดีดแต่ว่าอีกตัวมันเข้ามาอยู่ในที่ ที่ความเป็นปกติอยู่ไม่ได้ตัวหลงมันเข้ามาอยู่ในจุดที่มีสติรู้สึกตัวไม่ได้นะมันแน่นแล้พื้นที่มันเป็นปกติสติมันเต็มพื้นที่มันเป็นพลังของจิตพลังของความเป็นปกติเป็นพื้นที่ของความรู้สึกตัวตัวหลงมันเข้ามาไม่ได้เลยมันอยู่ในวงสายศีลผีก็เข้าไม่ได้อยู่วงสายศีลก็จิตมันมีศีลมีความเป็นปกติอยู่ ตัวนี้ยมันจึงไม่ได้ทําอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเป็นปกติไปเฉยๆมันก็จะเห็นความจริงอะไรที่ซ้อนซ้อนขึ้นมาก็ไม่ได้มีพลังอะไรเลยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าภาวะผู้ดูมันยิ่งใหญ่กว่าเรียกว่าธรรมะชนะธรรมธรรมะคือธรรมชาติแล้วธรรมชาติไปดีไปที่ทําให้เกิดปัญญามันอยู่ก่อนแล้วเรือนฝ่ายหลงมันแสดงพฤติกรรมอะไรมันก็เห็นอยู่รู้อยู่ เราก็ต่างคนต่างอยู่คนเะพบคนเพูงกันตรงนี้แหละเราก็ฝึกขาดปฏิบัติธรรมกันเหนือบาปเนือบุญมันก็มีเพราะว่าความเป็นปกติจิตนี่นะยิ่งเรามาเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะิ่งกลัวอารมณ์ขุนมาได้ไว้มากเคยเป็นคนขี้ง่วง ง, ว ง, ง่วงโผล่มานอนมากๆปวดกระเสียงแล้วเรื่อแก่อายุมากๆนอนเป็นนิสัยใดเวลาถึงเวลาที่เราเคยนอนมันก็ง่วง เคยนอนตื่นสายอย่างเงี้ยมันก็ต้องตื่นเช้าลุกขึ้นมาทำบัตสวดมนต์มก็ง่วงเราก็ได้เห็นเลยหรือเป็นคนที่ไม่มีความอดทนนะมันจะแสดงความไม่อดทนแสดงออกมาเลยบางนิดนึงก็โอ๊ยเดินนั้นหม่ก็โอ๊ยลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยเด็กสักสองสามปันจะเดินพ ล, นลยอยหรือไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่ค่อยง่วงกันหรอกไม่ค่อยเบื่อ ทำนายไว้อีกสักสามวันข้างหน้าเห็ดมันจะเกิดขึ้นมาเต็มเลยที่ป่ายางเนะี้ยคราวนี้ละปามันจะมองซ้ายมองขวาหาเห็ดนะ่ะหายม่วงระยมไม้เนี่ยจะเดินเขีย่ยกันเปนไก่คุ้ยเขีย่ยเลยนะหาห า, หานะกระเพิ่นแล้วกันนะแต่เวลาตอนเนี้ยเดินจงกลมเนะี่ยโอ้ยง่วงยุงนี่ก็ช่วยได้ดียุงเนะี้ยมาสังเกต ด, ดูนะวิธีการแนวหลวงปู่เทียนเนะนี้ยมันสะดวกจริงๆ ปฏิบัติในป่าแมาลงชุกชุมมียุงมาตอมเนี่ยโอ้แนวหลงกุ้เทียนได้ช่วยได้ดีสิบสี่จังหวัดช่วยไล่ยุงดีมากโยมยกยุงเกาะเนี้ยดีไมดีไหมลองไปนั่งดิงๆอยู่ลองนั่งดี้ด้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเย็นเย็นแบบนี้เคยนั่งอยู่กับอาจารย์ประวัติที่ศาลาข้างหน้าสมัยก่อนศาลานี้ไม่มี แล้วก็ยุงที่นั่นตัวโตๆแล้วก็เวลานี้ด้วยนะออกมากัดเต็มไม่หมดเลยอาจารย์หนุ่มก็ยุงชุมยุงชุมล้ำคาญผมประหลาดใาตอนนั้นก็บอกว่าไม่ล้ำคานมันก็ทําได้อยู่เนี่ยจะทําให้ดูก็เลยนั่งนิ่งๆให้มันกัดเลยนะเต็มที่เลยกินเลือดอิ่มบางจุดก็กัดเป็นสิบตัวเลยนะแล้วขยักขยั่งหน้าขนหัวลุกกินอิ่มดํามืดไปหมดเลยให้มันกัดดู เนี่ยเนี่ยวางใจให้มันกินเนี่ยวางใจให้มันกินอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยคันอา้าวเราไม่ต้องวางใจให้มันกินเนอะ่ะไม่ต้องมาทําสมาธินี่เคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยยุงมันไม่การหรอกก็เดินเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินหนียุงอะ่ะดีไหมเอาอยุางเป็นครูหายง่วงไปเลยอ่แล้วต้องขอบคุณในะเวลาสาจจลาสิ่งมันมาใกลๆบางทีเดินจงกรมอยู่อา้าวแรงป่องก็มาสมัยหนึ่ง ไปเก็บอรมเข้มอยู่ที่กูสิบเสร็จแล้วมันมีลงเป็นแทงน้ําเอาหลังคาลองรับน้ําแล้วเอาน้ําลงแทงเสร็จแล้วมันเดินไปพื้นปูนมันไม่มีขอบเขตก็เลยเอาสีเชลได์เชลได้เอาทาเป็นเส้น1 3บสาเดินหัวท้ายของแผ่นปูนน้ำสิบสามเกพอดีก็ปีกรอบเอาไว้จะไม่เดินออกนอกกรอบ ถ้าใจเรามันออกไปนอกกรอบแสดงว่าหลงแล้วเวลาเดินก็ให้รู้อยู่แต่เรื่องราวในนี้แหละปรากฏว่ามีแมงป่องก็มาฝนตกตกเนี้ยก็เดินมาแล้วมาหมอบจนเส้นดำเราก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเอาสาัตว์เป็นเพื่อนเอาแมงป่องก็เป็นเพื่อนเดินแล้วตื่นตัวดีทํามันเดินเข้ามาแล้วก็เหยียบหรือถ้าเาเดินไม่ระวังมันก็ต่อย มีสัตว์ลายบางทีก็มีตัวตัวนิ่มบางวันในจุดเทียนไว้ในป่านี้มีตัวนิ่มเยอะนอ่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นออกมาตอนที่อยู่กูสิบามเนี่ยมันจะเดินตุวมเตี้ยมมาเล่นไปตอนคืนนะ่ะบางทีบางครั้งบังคาวลพลวกพ่อจับมาแกล้งคนเหมือนกันนะลหลวงพ่อเขียนจากมาปล่อยในศาลาแล้วหน้าตาเฉยคนมาทำบัตรทีหลังว้ายตัวเละตัวเละตื่นตนกตกใจกันตื่นเต้ น, ตนกันหลวงพ่อเฉยเอามาเป็นข้อสอบ ดังนั้นเห็นไหมเราเห็นแล้วก็ปกติก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจเสียใจก็ได้พอใจไม่พอใจก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนะมันสามารถที่พัฒนาได้ทางตางหูจมูกลิ้นกายใจจากกา ย, ยของห ย, ยาบแยบพัฒนาไปตาดูก็รู้สึกได้หูฟังก็รู้สึกได้สมองคิดปุ๊บรู้สึกได้เลยตรงนี้แหละสําคัญพอคิดแ ล, ลด้วโกรธคิดแล้วโลภคิดแล้วหลงคิดแล้วรักมันขยายผลไปยาวคิดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์กันนะ สวิงคุมดีคุ้มลายบวกบวกลบทั้งวันผิดปกติแต่พอมันจุดเจิดมันเป็นปกติแทตรงนี้ได้เจอกันไหมถ้าใจมันจืดแนมก็จืดใจมันเฉยแนมก็เฉยตามันก็วางวางไม่ลุกหลิกล็อกแลกนะตามจะเฉยเฉยมองก็มองเฉยเฉยพอมองแล้วด้ปรุงแต่งมันไม่ใช่พลังงานทางจิตพุ่งไปทางตาจิตมันก็รู้อยู่ดูข้างนอกแต่ไม่เห็นข้างใน ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ขนาดที่เราเคลื่อนไหวก็เหมือนกันรับรู้ความรู้สึกในการเคลื่อนไหวแต่มันดูใจดูจิตแต่ใหม่ๆนะมันจะหลงอยู่กับกายไปกับกายอันนี้จะมึนมากเลยหนักเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไห ว, ไหวจิตมันก็ไหวตามมือไปอยู่มันจึงมีสภาวะอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ดู สภาวะผู้ดูดูเห็นอาการที่เป็นความรู้สึกตัวมีสติรู้รู้ความรู้สึกตัวจนสภาวะของสติเป็นผู้ดูตรงนี้ดูจิตได้สบายจิตดูจิตก็คือเห็นมันคิดอยู่ตลอดจะเห็นว่ า, าความคิดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มักระทบมีอยู่ตลอดเวลาเมืม่อไรเมื่อไรเมื่อใดมันก็แสดงออกมาเป็นเหตุปัจจัยจของกันและกัน เขมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ก็ามีจริงมงีจึงมีสิ่งนี้ถ้าจิตเราไม่มีสติไม่มีกําลังไม่มีพลังนะจะเผลอเนี่ยเพราะฉั้นการฝึกหัดให้เห็นสภาวะทุกๆอาการที่มันแสดงออกและผ่านทั้งหมดโดยที่ไม่ปฏิเสธง่วงก็ได้ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวคืนนี้อะไรได้หยิบ ม, มาใช้ให้มันง่วงลงไปแต่ว่าขณะที่ไปบัติเราไม่ทําตามมันตอนนั้นเอง ขับรถง่วงไปปลอดภัยอ่านหนังสือง่วงไ ม, ไม่รู้เรื่องนะถึงเวลานอนง่วงนะดีก็นอนลงไปมีความง่วงหยิบมาใชนะ้เพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ทันทีธรรมะจึงเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลานะอย่างเช่นอาบน้ำ เ, เรียกว่าส่งน้าเมื่อกี้ เ, เราส่งน้ํากันหรือเปล่าหมายถึงว่า มีสติตักน้ำแต่พอดีค่อยๆ ย, ยกแล้วก็ลดสีสะน้ำมันก็ลินลินรู้สึกไปทั้งตัวเนี่ยลือคนฉลาดอีกนิดหนึ่งตักน้ำมาอ่อเวลานี้เป็นเวลายเย็นระลึกได้บําเย็นมันทํางานมาทั้งวันมันเดินทั้งวันมันร้อนเครื่องมันร้อนไนั้นลดตะโพกก่อนคนโบราณ น, นาฉลาดเนี่ยมีสติอย่างนี้ไม่จับไข้ไม่ป่วย ค่อยๆล้างเท้าไล่ึ้นมาหรือลดตะโพกเราค่อยๆลดตัวลดหัวมีปัญญาไม่ใช่อยู่ๆกระตักจวกคลึมจวกคลึมน้มลดตัวเองสักยี่สนที่กระเด็นออกไปก็นอกแปดสิบอซนย่างเงี้ยนะอย่างเงี้อยอันนี้ขาดสติบางทีนี่เหมือนก็วิ่งผ่านน้ำเลยปับป๊บๆสบู่ก็ไม่ถูอย่างเงี้ยมารีบอาบไปไหนกัน เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนมันอาบแล้วรู้สึกรื่นเริงนะอาบน้ำรู้สึกว่าจิตใจมันดีมีบางคนได้รับประโยชน์จากการอาบน้ำเช่นยกตัวอย่างนะมีตัวมีตนที่จังหวัดนครสวรรค์นนะมีอคนนะึงคุณหมอเขาสมัยหนึ่งยุคต้มยำกุ้งนะ่เขาโดนคนยืมเงินไปยี่สิบล้านและไม่คืนนะกอนนี้มันก็คิดว่าทำไมเขามาโก ง, งเรา แล้วทำไมมันเห็นเราเป็นอะไรนะอาไม่เอาเงินมาคืนอย่างมันโต้มันตนกันมันหลอกกันเนี่ยมันหน้าแค้นนะอย่างเงี้ยก็คิดไปคิดมานานแล้วตอนหลังปฏิบัติธรรมก็ได้ประโยชน์จากความคิดแบบนี้แหละขณะอาบน้ําก็รู้สึกตัวอยู่ความคิดเรื่องเงินเนี่ยมาอะไรยี่สิบล้านเนี่ยนะพอมาปั๊บก็เอาหนิมความคิดเนี่ยกำลังอาบน้ํานี่มันคือความคิดมันไม่ใช่การอาบน้ําสิ่งที่กําลังทําคืออาบน้ํามันแยกออกกันเลยนะ ความคิดที่อาบน้ำอ่ะมันไม่ได้ใช้แต่ความคิดที่มันเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินนั่นมันเกิดขึ้นมาขณะอาบน้ำไอ้นี่คือตัวหลงพอกขาแยกได้ปั๊บมันเกิดอารมณ์มิปัสจโนกขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเขาก็เห็นอีกเกิดขึ้นมาก็เห็นอีกจนมันดีใจอ่ะมันเกิดปิติขึ้นมาเฮ้ยนี่นี่คือความคิดที่หลวงปู่เทียนพูดถึงวันลงขึ้นกอตีรถจากนครสวรรค์มาหาหลวงพ่ออมเขียนบันนั้นอดมาอยู่ด้วยประเด็นนะ ก็รู้สึกว่าขนาดก็เป็นโยมก็ตั้งใจเป็นแบบแล้วก็พยายามเก็บตกในะในรูปแบบนอกรูปแบบในรูปแบบก็คือก่อนนอนทําสักห้านาทีสิบนาทีแล้วตื่นนอนนะทําสักห้านาทีสิบนาทีแต่ว่านอกรูปแบบคือทั้งวันแหละอย่างที่พูดมาเบื้องต้นเวลานอนทามีสติเรียกว่าจําวันอาบน้ำเรียว่าส่งน้ําหรือว่าขณะที่รัาทานเรียกว่าฉันถ้าเดินอย่างมีสติเรียกวจงกรมอย่างนะ อันนี้เราก็โยกไม้โยกมือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแบบแนวหลวงปูตียันตละจังหวะเพื่อเป็นการฝึกหัดสติให้สติมันตามไปในกายจะได้เห็นอนาการต่างๆที่เกิดเนื่องไปกับกายแล้วก็ตัวชีวิตพลังชีวิตต่างๆเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ลึกลับอะไรทำไหมนี่ไม่ได้ลึกลับอะไรปัจจ า, าที่ใช้กันคือลึกซึ้ง ภาษามันลึกซึ้งทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันเป็นการรู้แบบลึกซึ้งเป็นการรู้ตื้นๆแต่ว่าดับถูกได้จริงปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าธรรมะเนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วเราคงจะทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้คงจะทําไม่ได้ชาตินี้คงจะทําไม่ได้แต่พอก็จริงๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทําได้อย่างเช่นวันนี้ถาม อายุก็มีความแตกต่างกันความรู้ก็มีความแตกต่างกันฐานะก็มีความแตกต่างกันเพศวัยต่างๆแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนเห็นว่าตัวเองนะรู้สึกแล้วมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมายกมือกันทุกคนเลยะทุกคนเห็นว่าตัวเองอนะคิดแล้วก็กลับมาได้บางคนอาจจะกลับมาไม่ได้ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆความพุกละเอียด มันก็แนและมันก็กลับมาได้ยากนิดหนึ่งเราก็ฝึกเห็นกายหยาบหยาบความคิดหยาบหยาบเห็นอาการหยาบหยบที่มันแสดงออกมาตรงนี้แหละมันจะเริ่มต้นพัฒนาการที่เรียกว่าจิตตาภาวนาเป็นการเดินทางล่วงจากล่วงต่างจากภาวะเก่าๆมันเคยคิดแล้วก็หลงเคยหลงก็ไปในความคิดอย่างเงี้ยมันเริ่มที่จะออกมารู้สึกออกมารู้สึกออกมารู้สึก เคล็ดลับของการปฏิบัตก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเวลามันนึกมันคิดนใจเวลามันนึกมันคิดปกติเราไม่เคยรู้ทันมันความเร็วความคิดไม่น้อยกว่าสิบเจ็ดเท่าของปรมาโมทยแต่ว่าสติมันไวกว่ามันตรงมันไวเหมือนกับลูกธนูถิ่มตรงเต้าเป๊ะเลยไงนะเรามีความว่องไวสูงมันก็จึงทันความคิดตลอดมาดีคิดแล้วก็นะ มีอาการต่างๆที่มันแสดงออกมาเหมือนกับที่เราเคยติดเป็นนิสยัยเช่นดื่มโซดาพอได้เวลามันก็เปรี้ยวปากได้เวลามันก็คิดบุหรี่อย่างเงนะี้ยนะหรือว่ารับประทานอาหารก็ตามเวลานี้ปกติเคยรับประทานอาหารเย็นอย่างเงี้ยนะหลายคนบางทีปฏิบัตินะมันอาจจะมีเย็นตะโพ ร, รอยมามีไหมส้มตำรสจับแจบรอยมา อาหารร้อนๆก๋วยเตี๋ยวหรือว่าโจ๊กอย่างเงี้ยน้ำเต้าหู้ลอยมามีไหมมันมีไงอากาศร้อนๆอยากไอศครีมเย็นๆอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆก็อยากน้ําขิงอุ่นๆนะมันจะมีมันจะแสดงออกมาเลยว่ามันเคยเสพติดอะไรมามันก็จะมีนิสัยไปตามร่องเดิมของมันมั น, นั้นเรามาทำล่องใหม่เป็นร่องรอยของมรรคผลนิพพาน ล, ล่องรอยของสติสีสันวิธิปัญญา ลองลอยของปัจจุบันขณะจิตเคยไหลไปอดีตก็มีนิสัยความคุ้นจินกันเป็นนิสัยใหม่ที่จะมาสู่ความเป็นปกติปัจจุบันขณะมจะผลิตออกมาความเป็นปกติของจิตอย่างนี้นสติจึงรู้ปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจุบันแสดงอะไรออกมามันก็จะรู้เท่ารู้ทันตามกําลังของมันแน่นอนความเป็นหน้าที่โดยตรงของสติสติจะ ม, มีหน้าที่รู้นะ ฐานอาการที่เกิดที่รูปธรรมและนามธรรมเป็นสติปัฏฐานมันจะรู้เรื่องของตัวเราอาการที่เรียกว่าทุกันแหละทุกมีอะไรบ้างขนาดปฏิบัติเช่นร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเ น, นี่ยนะต่อมาก็คือความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายของเราร้อนๆ้อนหนาวหนาวบาป่วยป่วยเจ็บไข้ไม่สบายเลยว่าโลคายาธิ นั่งที่เอ็นมันก็ตึงมันก็เมื่อยมันก็ปวดอะไรพวกนี้มันแสดงออกมาเป็นความทุกข์ของกายเราก็ปรับเปลี่ยนผ่อนครบรรเทาแก้ไขให้เขาบางทีเกิดความหิวกระหายเรื่องของอาหารแสดงออกมาอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงอยากร้อนอยากหนาวอยากสารพัดแสดงออกมาอันนี้ก็เป็นความทุกข์หรือเรียกว่าวิบากบางทีเราเคยทำให้คนอื่น เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าสัตว์สาลาสิ่งต่างๆแสดงออกมาเลยยกมืออยู่ดีๆภาพสัตว์ก็โผลมายกมืออยู่ดีๆคู่อริก็หน้าโผล่มาคนที่เราไม่พอใจก็โผล่ฉายออกมานีมันก็เป็นลักษณะของวิบากรืบางทีมก็เกิดลักษณะของความโมโหโทโสเกิดขึ้นมาความโลรความโกรธความหลงแสดงออกมาเราก็รู้สึกตัวเอ๊ะนี่มันโกรธเนี่ยอย่างนี้เราก็ฉุกคิดได้ทันหรือว่า เห็นมันตรงๆโดยการกลับมาสัมผัสสติโดยไม่ต้องคิดบางทีมันมีความคิดแสดงออกมาเอ๊ะนี่ความโกรธเนี่ยมันทักเฉยเลยนะเหมือนกับคำบริกรรมพอมีอารมณ์เกิดขึ้นมาปึ๊บเอ๊ะมันคิดเนี่ยเอ๊ะนี่มันร้อนเนี่ยอันนี้มันหิวเนี่ยบริกรรมไปด้วยเอ๊ะซ้ายขวาซ้ายขวาบางทีก็พุทโทพุทโทแล้วแต่มันไปตอกย้ําอะไรไว้ก่อนที่จะฝึกหัดปฏิบัติมันได้ฉายออกมาไม่เป็นไรอันนั้นคือความคิด ก็ต้องใช้ออกมาความเป็นลักษณะที่เราเคยทำํำพฤติกรรมที่เราเคยแสดงออกเป็นวิบากเป็นกรร ม, มะนะ่ะเพราะฉะนั้นรูปรล่อยอความคิดก็จะฉายออกมาเ <c oughs> มื่อทีก็มีความพัดภาคจากของรักของชอบใจปัญนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็แสดงออกมาพวกนี้ของดีทั้งหมดเลยขณะที่เบัติธรรเราได้เดินผ่านมันเอาเป็นโจทย์เอาเป็นครูสอนแล้วเราก็เฉลยได้เป็นนักเรียนที่ ตั้งใจเรียนตั้งใจประพฤติแบบลักตาคมมีแสงสว่างแห่งปัญญาพอที่จะสอดส่องเห็นความมืดมนที่เคยตอบโจทย์ไม่ได้รู้เฉลยปัญหาไม่ออกต่อรหัสไม่เป็นบวกนี้มันเริ่มเห็นแล้วลองรอยความเป็นปกติลองลอยความเป็นปกติแทรกแกออกมาแทรกพุ่งตรงมาหาฐานกายเลยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีก็มีอาการคันเกิดขึ้นไหมอย่างตอนนี้ผมแล้วแตว่าก็คันเหมือนกันนะ มันก็มีความคิดซ้อนขึ้นมาทันทีเลยวลา ย, ยุงกัดคันมันนึกถึงเรื่องของพุทธประวัติที่เราเคยอ่านเคยจดเคยจำาวครั้งหนึ่งมีผนางชื่อโลหินีโลหินีไปทูลถามพระเจ้าว่าหม่อมชันคันเลือเกินเจ้าคะ่ะมันเกิดจากอะไรเจ้าคะพระเจ้าก็บอกว่าเธอ จอวิบากกรรมในอดีตเขาสมัยก่อนเนี่ยเธอเคยเกิดเป็นมเหสีเอกพระราชาก็ตกเย็นก็เรียกนางลำมาลำฟ้อนให้ดูว่าราชการมาทั้งวันก็หาการผ่อนคลาย้กการดูของสวยของงามหญิงงามเมืองมาลองลำขับ้องดนตรีให้ฟัง เสร็จแล้วขณะที่ดูว่ายิ้มมีความสุขปรากฏว่ามเหสีนี้อิจฉาเห็นพระราชาในนั่งยิ้มไม่สนใจตัวของมเหสีเลยก็จึงหาทางแกล้งนางลำพระราชาให้นางลำนีพักในห้องไม่เหสีก็เอาหมามุยไปใส่ให้ ผ้าชุดไหนที่ใส่แล้วก็พระราชา ช, ชอบเนีเไว้ปทาหมดเลยนางรำก็เกาจนเฟะเลยเรื่องในสมัยพรทการเนี่ยคันๆเนี่ยว่ากันนึกถึงเรื่องแบบนี้เลยทีนี้ต่อมาก็คือพอนางโรฮินีมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็มีอาการคันทั้งตัวเลยเฟะน้ำเหลืองเยิม้มจนปฏิยธรรมไม่ได้เลยน ะ, นะอันเนี้ย ก็เลยไปสอบถามกับพระองคพระอง์ก็ตอบว่าเธอเคยแกลงก้งคนอื่นก็าไว้วางนน่ะ น, นะอันนี้คือเรื่องราวในคำพีอ่ะนะจริงไม่จริง ไ, งไม่ต้องไปสนใจันหรอกเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ายุงกัดแล้วก็สามาถทีิยามีสติเลิรู้ความรู้สึกตัวแล้วก็ตัดเป่าออกไปนะมียาหม่องมียาป้องกันก็ช่วยตัวเองหน่อยนะึงหรือมีมุง้งมีกรดก็เข้าไปอยู่ในนั้นก็ได้ไม่เป็นไร หรือใช้ผ้าปัดก็ได้นะมีแซ่มีผ้าแล้วก็ไล่เขาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นครันั่นแหละตื่นตัวดีแล้วก็ยิ่งกันเอ่ยยิงคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งคันอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นห่วงลูกโซ่เพราะนั้นละนะภาวะผู้ดูใช้ดีนะมันคันแล้วก็รู้สึกอยู่นะดนะีถือว่ามันจะผ่านทุกเวทนา ขณะที่มีความรู้สึกตัวแนละการคันก็ไม่มีน้ำหนักสติความรู้สึกตัวความเป็นปกติจะแบ่งแบ่งให้เวลาเจ็บก็เหมือนกันนะถ้ามีสติจะแบ่ง5้าส้าสบกรณีถ้าในโรงพยาบาลฉีดยาสลบหรือว่าให้ยาแก้ปวดนะให้ครึ่งเดียวพอคนที่มีสติครึ่งเดียวพอแล้วอันนี้ขพ้พิสูจน์กันแล้วนะคนที่มีสติ ปกติจิตปกตินทานยาฉันยาฉีดยาหรือว่ากลไกของตัวยาเนี่ยมันจะให้คุณภาพดีมากประมาณครึ่งเดียวนะให้ผลออกฤทธิด์ดีมากแล้วก็ลองใช้ใดนะูสติบวกกับทุกๆอย่าง 50-50 แบ่งบาปภาละได้โกรธเนี่ยลองรู้สึกตัวนะความโกรธจะลดลงเหลือแค่ 50% มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะผลักให้เราคิดพูดทำอะไรลงไปแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนรุ่นอื่นมันก็ที่เราผ่านมาเต็มร้อยไม่มันเหลือครึ่งเดียวอันเนี้ยแสดงออกได้ดีเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าสัมผัสแล้วก็เกิดความเชื่อเก้ดมาเกิดสัทธาใช่ไหมเห็นอานิสงของความรู้สึกตัวหรือตาดูเนี่ยปกติมันเคยดูแล้วก็พอใจไม่พอใจพอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันแบ่งเลยครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นความรู้เนื้อรู้ตัว รูปไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเสียงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยการเคลื่อนไหวรู้สึกนะถ้าหากว่าเราไม่เคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่องนะกาลังของสติที่มีน้อยๆมันจะไปตามนิสัยความเคยชินเหมือนเดิมเร่องนี้เราก็จึงค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติธรรมโดยเพราะวันนี้นะกลุ่มที่มาปฏิบัติเป็นวันแรกนะ ก็อาจจะได้มีประสบการณ์มีบทเรียนเบื้องต้นแล้วก็คนเก่าๆก็เห็นเขาตั้งใจเดินกันดีมากโดยเฉพาะในป่ามีแม่ชีหลายคนแล้วก็เดินนักหน้ายุงชมนะตอนตั้งเช้าจนเย็นเรามาก็เห็นเขาเดินอยู่แค่นั้นแม่ชีเมื่อกี้ผ่านมาเขาก็เดินเฉยๆนิ่งๆแม่ชีคนนี้ก็ผ่านการทํางานทําการแล้วก็คิดว่าทํางานคือการแบบทําแล้วก็เอาไม่อยู่สักทีอยู่ครัว อยู่กลัวแล้วก็เวลาเจอลมมากระทบม า, มาปรึกษาทุกทีเลยทายสุดก็บอกไปเก็บพลมไปไปไปไปมันจะได้คําตอบอยู่ถ้ายังไม่ได้คําตอบเนะ่อย่าเพิ่งไปทําเรื่องอื่นมาตั้งใจปวิบัติในรูปแบบเนี่ยตอนนี้ได้สี่ละสีนนะ่สิบวันเนี่ยปฏิบัติเต็มที่เห็นก็เดินในเชา้ายันมืดเชา้ายันมืดนะนนได้อารมณ์ปฏิบัตินะเพื่อย่างเงี้ยพอมันเข้าล่องมันก็เราทํางานนะนะกว่าทำงานไปทํางานไปมันเข้าล่องเงี้ยโอ้โหมันทําไม่หยุดเลยทําได้เรื่อยเรย อารมณ์ปฏิบัติก็มีเหมือนกันเช่นรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมามันจะเกิดความรื่นเริงในการปฏิบัติขึ้นมามันจะเกิดปีติขึ้นมามีความอิ่มอบอิ่งใจขณะได้ปฏิบัติรู้สึกตัวนะมันจะเกิดความสงบระงับขึ้นมามันจะเกิดความสุขมันเคยมีวัตถุภายนอกมีความสุข ต, ตอนนี้มันจิตเข้าข้างในเลยแล้วก็เป็นว่าสีอยู่ข้างในเป็นความสุขอยู่ข้างในนะปกติวัตถุหนึ่งสามบุคคลหนึ่งสองสามมันตุ้นมัน เราต้องไม่ลืมว่าเวลาทำอะไรมีสมาธิสักสี่สินาทีห้าสินาทีสารเอนโดฟินสารสุขในตัวมันจะหลังเวลาเรากังวลเวลาเครียดเนี่ยตัวเครียดมากๆนะอะดีนาลีนมันจะหลังเวลากังวลจนเศร้าจนไม่มั่นใจเรืน่อะไรเนี้ยคอติซอลมันจะหลังเพระเาะนั้นเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เราไปเดาทำเนี่ยแต่ว่าเราเจอความสุขแล้วไม่ติดสุขมันถึงจะเกิดปัญญา เวลาปฏิบัติแล้วเจอความสุขหรือว่าทํางานแล้วก็เห็นว่าอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นมาต้องวางทันทีไม่ใช่ทิ้งนะต้องวางงานทันทีเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเทคนิคปฏิบคือเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเทคนิคปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาทันทีพอไม่เห็นอารมณ์มันจึงเป็นสติปัฏฐานทันทีนะมันไม่เข้าไปใแหนลมมันรู้รู้และเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นของมันเองเดี๋ยพราะเบื้องต้นมันไม่เข้าไปเป็นเพราะว่ามันมีหลักของกรรมฐานอยู่แต่พอมีสติปั๊บมันมีหลักใจอยู่มันมีพื้นที่ขอมันยู่ ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นจึงมีสติดูกายมีสติดูจิตแล้วก็มีสติเห็นสติท้ายสุดเนี่ยจนกระทั่งมันรู้แล้วสติก็เกิดดับเหมือนกันท้ายสุดก็คือเวลามันมีสติปฐานเน่ยเวลามันดับมันก็ว่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันว่างมันเฉยน้องเฉยพร้อมรู้พรามันว่างเหมือนกาบเฟ้งแป้งไเลยต้องมารู้สึกตัวไล่อารมณ์ใหม่ทบทวนอารมณ์ใหม่นะอันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นเรื่องของการปฏิธรรมทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ ให้สมกับเรามาปฏิบัติธรรมกันเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างนั้นนะเ่อที่เปิดเทปมันก็ดีแต่ว่ามันเป็นอารมณ์สูงๆคนใ ห, ใหม่ๆก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่พูดนี้ก็หวังว่ามันฟังรู้เรื่องกันเดย่างเป็นภาษาง่ายๆเราเป็นอาการที่วันนี้เราได้สนทนากันอยู่แล้วเป็นอาการที่แสดงออกทางกายทางใจของเราแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เราก็จะขยันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยจนกระทั่งมันสามารถที่จะทําในรูปแบบได้เรื่อยๆแล้วก็นอกรูปแบบก็สามารถที่จะเก็บตกได้ด้วยอย่างนี้นะ ก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะที่มาฝึกสติแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐานในคราวครั้งนีนะ้ก็ขอให้เนฉะวยโอกาสแล้วก็ใช้โอกาศนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนกทั้งสัมผัสกับธรรมะนะสมควรแก่การบัดโนะดยทัวนาการทุกท่านทุกรูปทุกนามเทิน